10. พระเวสีสูตรว่าด้วยพระเวสีอุบาสกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจ้าริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ขณะที่เสด็จพระดำเนินไปตามหนทางไกล ได้ทอดพระเนตรเห็นป่าสาระใหญ่ณสถานที่แห่งหนึ่งจึงทรงแวะลงจากทางเสด็จเข้าไปสู่ป่าสาระนั้นครั้นเสด็จถึงแล้วจึงได้ทรงแสดงอาการแย้มณสถานที่แห่งหนึ่งครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้คิดว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอาการแย้มพระตถาคตย่อมไม่ทรงแสดงอาการแย้มให้ปรากฏโดยไม่มีเหตุ จึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอาการแย้มพระตถาคตย่อมไม่ทรงแสดงอาการแย้มโดยไม่มีเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วณสถานที่นี้ได้มีเมืองมั่งคัง่งกว้างขวางมีประชาชนมากมายมีมนุษย์หนานแน่น พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยอยู่ในพระนครนั้นอุบาสกชื่อว่าภเวสีของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีปกติไม่ทําศีลให้บริบูรณ์อุบาสกห้าร้อคนเป็นผู้อันภเวสีอุบาสกชี้แจงชักชวนเป็นผู้มีปกติไม่ทําศีลให้บริบูรณ์ ต่อมาพเวสสีอุบาสกมีความคิดว่าเราเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าเป็นผู้ชักชวนอุบาสกห้าร้อยคนเหล่านี้ทั้งเราและอุบาสกห้าร้อยคนเหล่านี้ต่างก็เป็นผู้มีปกติไม่ทาศีลให้บริบูรณ์ต่างคนต่างข้อเท่าๆกันไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันเอาเถอะเราควรปฏิบัติให้ยิ่งกว่าต่อมา พระเวสีอุบาสกได้เข้าไปหาอุบาสกห้าร้อยคนเหล่านั้นแล้วกล่าวดังนี้ว่าท่านทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพวกท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์ครั้งนั้นอุบาสกห้าร้อยคนเหล่านั้นมีความคิดว่าพระเวสีอุบาสกผู้เป็นนายมีอุปการะมากเป็นหัวหน้าเป็นผู้ชักชวนพวกเรา ก็พเวสีอุบาสกผู้เป็นนายจะเป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์ฉะไหนพวกเราจะทําเช่นนั้นบ้างไม่ได้เล่าจึงพากันเข้าไปหาพเวสีอุบาสกแล้วกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระเวสีอุบาสกผู้เป็นนายจงจําอุบาสกห้าร้อยคนแม้เหล่านี้ว่าเป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์ครั้นต่อมา พระเวสสีอุบาสกมีความคิดว่าเราแลเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าเป็นผู้ชักชวนอุบาสกประมาณห้าร้อยคนเหล่านี้ทั้งเราและอุบาสกห้าร้อยคนเหล่านี้ต่างก็เป็นผู้มีปกติทําศีลให้บริบูรณ์ต่างคนต่างก็เท่าเท่ากันไม่ยิ่งยอนไปกว่ากันเอาเถอะเราควรปฏิบัติให้ยิ่งกว่าจึงได้เข้าไปหาอุบาสกห้าร้อยคนเหล่านั้นแล้วกล่าวว่า ท่านทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพวกท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลาจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านอุบาสกห้าร้อยคนเหล่านั้นมีความคิดว่าพระเวสีอุบาสกผู้เป็นนายมีอุปการะมากเป็นหัวหน้าเป็นผู้ชักชวนพวกเราพระเวสีอุบาสกผู้เป็นนายจะประพฤติพรหมจรรย์ เว้นห่างไกลาจากเมทุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านฉนัยพวกเราจะเป็นเช่นนั้นบ้างไม่ได้เล่าจึงได้เข้าไปหาพระเวสสีอุบาสกแล้วกล่าวดังนี้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นนายจงจำอุบาสกห้าร้อยคนแม้เหล่านี้ว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลาจากเมทุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านครั้นต่อมา พระเวสีอุบาสกมีความคิดว่าเราเองเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าเป็นผู้ชักชวนอุบาสกห้าร้อยเหล่านี้ทั้งเราและอุบาสกห้าร้อยคนเหล่านี้ต่างก็เป็นผู้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลาจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านต่างคนต่างก็เท่าเทกันไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันเอาเถอะ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 พเวสีอุบาสกเป็นนายผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าเป็นผู้ชักชวนพวกเราพรเวสีอุบาสกผู้เป็นนายจะเป็นผู้บริโภคมื้อเดียวไม่บริโภคตอนกลางคืนงดเว้นจากการบริโภคในเวลาวิกาลฉนัยพวกเราจะเป็นเช่นนั้นบ้างไม่ได้เล่าจึงได้เข้าไปหาพเวสีอุบาสกแล้วกล่าวดังนี้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นนาย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 เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลาจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านเป็นผู้บริโภคมื้อเดียวไม่บริโภคตอนกลางคืนงดเว้นจากการบริโภคในเวลาวิการต่างคนต่างก็เท่าเท่ากันไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันเอาเถอะเราควรปฏิบัติให้ยิ่งกว่าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับ แล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้บันประชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพอเวสีอุบาสกได้บรนประชาได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแลวแลครั้นอุปสมบทแล้วไม่นานจึงหลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียร ปุถิกกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรออกจากเรือนบทเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่โจบพรหมจรรย์ลแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอานน์พเ尚ศีษุ ได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายอานนท์คราวนั้นอุบาสกห้าร้อยคนเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพะเวสีอุบาสกผู้เป็นนายมีอุปการะมากเป็นหัวหน้าเป็นผู้ชักชวนพวกเราพรเวสีอุบาสกผู้เป็นนายจากโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนโบสถ์เป็นบนรรพชิต ฉไนพวกเราจะเป็นเช่นนั้นบ้างไม่ได้จึงได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายพึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคอุบาสกห้าร้อยคนเหล่านั้น ได้บรรพชาได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแลต่อมาพระเวสีภิกษุได้มีความคิดดังนี้ว่าเราเองเป็นผู้ได้วิมุติสุอันยอดเยี่ยมนี้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากโอหนอภิกษุประมาณห้าร้อยรูปแม้เหล่านี้ ก็พึงเป็นผู้ได้วิมติสุขอันยอดเยี่ยมนี้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากคราวนั้นภิกษุห้าร้อรูปเหล่านั้นต่างเป็นผู้หลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนับ ก, ก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ซึ่งกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยูโจบโพรมรจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านั้นมีพะเวสีภิกษุเป็นประมุขพยายามบำเพ็ญธรรมที่สูงสูงขึ้นไปปราณีตขึ้นไปได้ทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันยอดเยี่ยมด้วยประกาศนี้ อานอน์เพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเมื่อพยายามบำเพ็ญธรรมที่สูงสูงขึ้นไปปราณีตขึ้นไปก็จะทําให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันยอดเยี่ยมเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้และพระเวสสีสูตรที่สิบจบอุปาสกะวรักที่สามจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่ง สารัชสูตรสองวิสารัสูตรสามนิริยะสูตรสี่เวรสูตรห้าจันทารสูตรหกปิติสูตรเจ็ดวณิชาสูตรแปดราชสูตรเก้าขี้หิสูตรสิบพเวศีสูตร อรัญโยวัหมวดว่าด้วยป่าหนึ่งอรั ญ, ญิกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวกนี้ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงาย 2. ภิกษุผู้มีความปรารถนาชั่วถูกความปรารถนาครอบงำจึงอยู่ป่าเป็นวัด 3. ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเพราะเป็นบ้าเพราะมีจิตฟุ้งซ่าน 4. ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเพราะรู้ว่าเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญ 5. ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษ ความขัดเกลว์ความสงัดความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอัน ง, งามเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวกนี้แหลภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวกนี Hot ้ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลว์ความสงัดความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้เป็นผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐเป็นประธานเป็นผู้สูงสุดและเป็นผู้ประเสริฐสุดปรีบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสยเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสยเกิดจากเนยใสยบรรดาโครสห้าชนิดนั้นหัวเนยใสายชาวโลกกล่าวว่าเลิศแม้ฉันใด วันดาภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวกนี้ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลว์ความสงัดความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นประธานเป็นผู้สูงสุดและเป็นผู้ประเสริฐสุดฉันนั้นเหมือนกันอรัญญิกะสูตรที่หนึ่งจบ สจีวรสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดห้าจำพวกนี้ภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดห้าจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงายละถึงห้า ภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกล่าความสังัดความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดห้าจำพวกนี้แลจีวรสูตรที่สองจบ สรุกขมูลิกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อย um> ู่โคนไม้เป็นวัดห้าจำพวกนี้ภิกษุผู้อย네ู่โคนไม้เป็นวัดห้าจำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นวัดเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงายละถึง 5. ภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นวัด เพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลวความสงัดความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่โคลนไม้เป็นวัดห้าจำพวกนี้แหลรุกขมมลิกะสูตรที่สามจบ โซสานิกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัดห้าจำพวกนี้ภิกษุผ hmm ู้อยู่ป่าช้าเป็นวัดห้าจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงายและถึง 5. ภิกษุผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษ ความขัดเกล่าความสังัดความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัดห้าจำพวกนี้แลโซสานิกกะสูที่4จบ 5. ้าอภโกาสิกะสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่กลางแจ้งเป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่กลางแจ้งเป็นวัดห้าจำพวกนี้ละถึงอภโปการสิกสูตรที่หจบ6เนสัชิกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้นั่งเป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้นั่งเป็นวัดห้าจำพวกนี้ละถึงเนสัชิกะสูตรที่6 จบเยถาสันธติกสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะตามที่จัดไว้เป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะตามที่จัดไว้เป็นวัด5้าจำพวกนี้ละถึงยถาสันธติกสูตรที่7จบ 8. เอกาสนิกสูตรว่าด้วยภิกษุ ผู้นั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้นั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัดห้าจำพวกนี้ละถึงเอกาสเนกะสูที่8จบเก้ขลุปัจฉาพัติกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ห้ามพัดที่เขานำมาถวายภายหลังเป็นวัดภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ห้ามพัดที่เขานำมาถวายภายหลังเป็นวัดห้าจำพวกนี้ละถึงขลุปัจฉาพติกะสูตรที่9จบ mm hmm. 10. ปัตตะปินทิกะสูตรว่าด้วย ภิกษุผู้ฉันในบาตเป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ฉันในบาตเป็นวัดห้าจำพวกนี้ภิกษุผู้ฉันในบาตเป็นวัดห้าจำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุผู้ฉันในบาตเป็นวัดเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงาย 2. ภิกษุผู้มีความปรารถนาชั่วถูกความปรารถนาครอบงำจึงเป็นผู้ฉันในบาตเป็นวัด 3. ภิกษุผู้ฉันในบาตเป็นวัดเพราะเป็นบ้าเพราะมีจิตฟุ้งซ่าน 4. ภิกษุผู้ฉันในบาตเป็นวัดเพราะรู้ว่าเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญ 5. ภิกษุฉันในบาตเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกล่าความสังกัดความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ฉันในบาเป็นวัดห้าจำพวกนี้แลภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้ฉันในบาเป็นวัดห้าจำพวกนี้ภิกษุผู้ฉันในบาเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความสงัดความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นประธานเป็นผู้สูงสุดและเป็นผู้ประเสริฐสุด เปรบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสบรรดาโครสห้าชนิดนั้นหัวเนยใสชาวโลกกล่าวว่าเลิศแม้ฉันใดบรรดาภิกษุผู้ชั้นในบาปเป็นวัดห้าจำพวกนี้ภิกษุผู้ชั้นในบาปเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษ ความขัดเกลวความสงัดความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นประธานเป็นผู้สูงสุดและเป็นผู้ประเสริฐสุดปัตตบินทิกะสูตรที่10จบอรัญยวัตที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือ 1. อรัญญิกะสูตร 2. จีวรสูตรส รุขมูลิกะสูตร 4. โสสานิกะสูตร 5. อภโภคาสิกะสูตร 6. เนสัชิกะสูตร 7. ยถาสันตติกะสูตร 8. เอกาสันนิกะสูตร 9. กขลุปัชฌาภัตติกะสูตร 10. ปัตตะเินทิกะสูตร หมวดว่าด้วยพราหมณ์หนึ่งโสนสูตรว่าด้วยธรรมของพราหมณ์เปรียบเทียบกับสุนักพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมของพราหมณ์ที่เก่าแก่ห้าประการนี้บัดนี้ปรากฏในพวกสุนัขไม่ปรากฏในพวกพราหมณ์ธรรมของพราหมณ์ที่เก่าแก่ห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งทราบว่าเมื่อก่อน พวกพรามสมสู่กับพรามณีเท่านั้นไม่สมสู่กับหญิงที่ไม่ใช่พรามณีแต่บัดนี้พวกพรามสมสู่กับพรามณีบ้างสมสู่กับหญิงที่ไม่ใช่พรามณีบ้างบัดนี้พวกสุนักสมสู่กับสุนักตัวเมียเท่านั้นไม่สมสู่กับสัตว์ตัวเมียที่ไม่ใช่สุนักนี้เป็นธรรมของพรามที่เก่าแก่ประการที่หนึ่งบัดนี้ปรากฏในพวกสุนัขไม่ปรากฏในพวกพราม สทราบว่าเมื่อก่อนพวกพราหมณ์สมสู่กับพราหมณีที่มีฤดูเท่านั้นไม่สมสู่กับพราหมณีที่ไม่มีฤดูแต่บัดนี้พวกพราหมณ์สมสู่กับพราหมณีที่มีฤดูบ้างสมสู่กับพราหมณีที่ไม่มีฤดูบ้างบัดนี้พวกสุนักสมสู่กับสุนัขตัวเมียที่มีฤดูเท่านั้นไม่สมสู่กับสุนัขตัวเมียที่ไม่มีฤดู นี้เป็นธรรมของพรามที่เก่าแก่ประการที่สองบัดนี้ปรากฏในพวกสุนักไม่ปรากฏในพวกพรามณ์ 3. ทราบว่าเมื่อก่อนพวกพรามไม่ซื้อไม่ขายพรามณียังการอยู่ร่วมกันให้เป็นไปด้วยความรักด้วยความผูกพันแต่บัดนี้พวกพรามซื้อบ้างขายบ้างซึ่งพรามณียังการอยู่ร่วมกันให้เป็นไปด้วยความรักด้วยความผูกพัน บัดนี้พวกสุนักไม่ซื้อไม่ขายสุนักตัวเมียอย่างการร่วมกันให้เป็นไปด้วยความรักด้วยความผูกพันนี้เป็นธรรมของพราหมณ์ที่เก่าแก่ประการที่สามบัดนี้ปรากฏในพวกสุนักไม่ปรากฏในพวกพราหมณ์ 4. ทราบว่าเมื่อก่อนพวกพราหมณ์ไม่ทำการสะสมทรัพย์บ้างเข้าเปลือก บ, บ้างเงินบ้างทองบ้างแต่บัดนี้ พวกพรามทำการสะสมทรัพย์บ้างเข้าเปลือบบ้างเงินบ้างทองบ้างบัดนี้พวกสุนัขไม่ทำการสะสมทรัพย์บ้างเข้าเปลือบบ้างเงินบ้างทองบ้างนี้เป็นธรรมของพราหมณ์ที่เก่าแก่ประการที่สบัดนี้ปรากฏในพวกสุนัขไม่ปรากฏในพวกพรามณ์ 5. ทราบว่าเมื่อก่อนพวกพราหมณ์แสวงหาอาหารเย็นเพื่อกินในเวลาเย็น อาหารเช้าเพื่อกินในเวลาเช้าแต่บัดนี้พวกพราหมณ์บริโภคอาหารตามความต้องการจนอิ่มท้องแล้วถือเอาส่วนที่เหลือไปบัดนี้พวกสุนักก็สแสวงหาอาหารเย็นเพื่อกินในเวลาเย็นอาหารเช้าเพื่อกินในเวลาเช้านี้เป็นธรรมของพราหมณ์ที่เก่าแก่ประการที่หบัดนี้ปรากฏในพวกสุนัขไม่ปรากฏในพวกพราหมณ์ภิกษุทั้งหลาย ธรรมของพราหมณ์ที่เก่าแก่ห้าประการนี้แหลบัดนี้ปรากฏในพวกสุ น, นัขไม่ปรากฏในพวกพราหมณ์โซนสูที่หนึ่งจบ 2. โทนพราหมณ์สูตรว่าด้วยโทนพราหมณ์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 ล่วงการผ่านวัยมาแล้วตามลำดับด้วยอาสนะพระโคดมผู้เจริญข้อนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นเพราะท่านพระโคดมไม่ไว้ายไม่ลุกรับหรือไม่เชื้อเชิญพราหมู้แก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาแล้วตามลำดับด้วยอาสนะข้อนี้ไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโธนะแม้ท่านก็ปฏิญญาว่าเป็นพราห ม, มิช่หรือ โณพรามกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมเมื่อใดเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวว่าเป็นพราหมณ์ผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจามลรู้จบตรเพศพร้อมทั้งนิคันทุศาสาเจตุสาส อักรษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและวยยกรชำนาญโลกาย ะ, ะศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษผู้นั้นเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงหมายถึงข้าพระองค์ทีเดียวเพราะข้าพระองค์เป็นพรามเป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาเถอปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษไม่มีใครจะคัดค้านตาหนิดได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล เป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบตรเพศพร้อมทั้งนิคันทุศาสตร์เกตุพศาสตร์อักษราศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและวยยกรชำนาญโลกายาตะศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโธนะบรรดาฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพรามคือฤาษีอัฏกะฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตะฤาษียมทักครฤาษีอังคี ร, ะรสะฤาษีพารทวช c h a ฤาษีวาเสฐะฤาษีกัสปะฤาษีพคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนพวกพรามในปัจจุบันนี้ขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนที่เก่าแก่นี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้ว กลาได้ถูกต้องสาธยายได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องเรือีเหล่านั้นบัญญัติพรามห้าจำพวกนี้ไว้คือ 1. พรามผู้เสมอด้วยพรสอ 2. พรามผู้เสมอด้วยเทวดา 3. พรามผู้ประพฤติดี 4. พรามผู้ประพฤติ ท, ทั้งดีและชั่ว 5. พรามผู้เป็นจันทานโทนะ ท่านเป็นพรามจำพวกไหนในห้าจำพวกนั้นโทนพราม์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์ไม่รู้จักพรามห้าจำพวกนี้แต่รู้ว่าเป็นพรามเท่านั้นขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะพึงรู้จักพรามห้าจำพวกนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโทนะถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดี เราจะกล่าวโทนพราหมณ์ทูนรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพราหมณ์ผู้เสมอด้วยพรมเป็นอย่างไรคือพราหมณ์ในโลกนี้เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดจชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตําหนิดได้เพราะอ้างถึงชาติตรูลเขาประพฤติโก ม, มารับพรมาจัน เรียนมนอยู่ตลอด48ปีสแสวงหาทรัพย์สําหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์โดยชอบธรรมเท่านั้นไม่สแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมความชอบธรรมในการสแสวงหานั้นเป็นอย่างไรคือเขาไม่สแสวงหาด้วยกษะสิกรรมไม่สแสวงหาด้วยพาณิชยกรรมการค้าขายไม่สแสวงหาด้วยโค ร, รั ก, กรรมการเลี้ยงโคไม่สแสวงหาด้วยการเป็นนักรบ ไม่แสวงหาด้วยการรับราชการไม่แสวงหาด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเขาถือกระเบื้องเที่ยวขอทานอย่างเดียวมอบทรัพย์สำหรับปูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์แล้วโกนผมและหนวดดุ่งห่มผ้ากาสาวพัดแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอย่างนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูรณ์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตละถึงมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สีทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียง แพรไปตลอดโลกทั่วทุกมูเหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกข า, าจิตอนพัยบู์เป็นมหากัตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เธอจเจริญพรห ม, มวิหารสี่ประการนี้แหละหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติพรห ม, มโลกพรามผู้เสมอด้วยพรหมเป็นอย่างนี้แหลพรามผู้เสมอด้วยเทวดาเป็นอย่างไร คือพรามในโลกนี้เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตรกูลเขาประพฤติโกมารพรมจรรย์เรียนมน์อยู่ตลอด48ปีแสวงหาทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์โดยชอบรำเท่านั้นไม่แสวงหาโดยไม่ชอบรม ความชอบธรรมในการแสวงหานั้นเป็นอย่างไรคือเขาไม่แสวงหาด้วยกสิกรรมไม่แสวงหาด้วยพาณิชยกรรมไม่แสวงหาด้วยโคลรักกรรมไม่แสวงหาด้วยการเป็นนักรบไม่แสวงหาด้วยการรับราชการและไม่แสวงหาด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเขาถือกระเบื้องเที่ยวพิขาจารย์อย่างเดียวมอบทรัพย์สำร บ, บูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์แล้วแสวงหาพัญญาโดยชอบธรรม ไม่สแสวงหาโดยไม่ชอบธรำความชอบธรรมในการสแสวงหานั้นเป็นอย่างไรคือเขาไม่สแสวงหาด้วยการซื้อไม่สแสวงหาด้วยการขายแต่สแสวงหาเฉพาะพราหมณีที่เขายกให้ด้วยการหลั่งน้ําเขาสมสู่เฉพาะพรามณีไม่สมสู่กับสตรีชั้นกษัตริย์แพทย์สูตรจันทานในพรานช่งางศาลช่างรถคนขนขยะสตรีมีคันสตรีมีลูกอ่อน สตรีหมดฤดูเพราะเหตุไรพราหมณ์จึงไม่สมสู่กับสตรีมีคันเพราะถ้าพราหมณ์สมสู่กับสตรีมีคันมานกหรือมานวิกาชื่อว่าเป็นผู้เกิดแต่กองอุจจระฉะนั้นพราหมณ์จึงไม่สมสู่กับสตรีมีคันเพราะเหตุไรพราหมณ์จึงไม่สมสู่กับสตรีมีลูกอ่อนเพราะถ้าพราหมณ์สมสู่กับสตรีมีลูกอ่อน มานพหรือมานวิกาชื่อว่าเป็นผู้ดื่มของไม่สะอาดฉะนั้นพราหมณ์จึงไม่สมสู่กับสตรีมีลูกอ่อนพราหมณีนั้นเป็นพราหมณีของพราหมณ์มิใช่เพราะต้องการความใคร่มิใช่เพราะต้องการความสนุกมิใช่เพราะต้องการความยินดีแต่เป็นพราหมณีของพราหมณ์เพราะต้องการบุตรเท่านั้นพราหมณ์นั้นมีบุตรหรือธิดาแล้วจึงปลงผมและหนวด นุ่งคมผากาสวพัฒแล้วออกบวชเป็นบรรพชิตเขาบวชแล้วอย่างนี้ก็สงัดจากกามละถึงบรรลุจตุทถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่เธอเจริญฌานทั้งสี่ประการนี้แลหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พราหมณ์ผู้เสมอด้วยเทวดาเป็นอย่างนี้แลพราหมณ์ผู้มีความประพฤติดีเป็นอย่างไร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 สตรีมีลูกอ่อนสตรีหมดระดูเพราะเหตุไรพราหมณ์จึงไม่สมสู่กับสตรีมีคันเพราะถ้าพราหมณ์สมสู่กับสตรีมีคันมานพหรือมานวิกาชื่อว่าเป็นผู้เกิดแต่กองอุจระฉะนั้นพราหมณ์จึงไม่สมสู่กับสตรีมีคัน kannt. เพราะเหตุไรพราหมณ์จึงไม่สมสู่กับสตรีมีลูกอ่อนเพราะถ้าพราหมณ์สมสู่กับสตรีมีลูกอ่อน มานบหรือมานวิกาชื่อว่าเป็นผู right the the product, ้ดื่มของไม่สะอาดฉะนั้นพราหมณ์จึงไม่สมสู่กสตรีมีลูกอ่อนพราหมณีนั้นเป็นพราหมณีของพราหมณ์มิใช่เพราะต้องการความใคร่มิใช่เพราะต้องการความสนุกมิใช่เพราะต้องการความยินดีแต่เป็นพราหมณีของพราหมณ์นั้นเพราะต้องการบุตรเท่านั้นพราหมณ์นั้นมีบุตรหรือธิดาแล้วปรารถนาความยินดีในบุตรหรือธิดานั้นแหล ครอบครองทรัพย์สมบัติไม่ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตดำรงอยู่ในความประพฤติดีของพราหมณ์แตกปางก่อนไม่ล่วงละเมิดความประพฤติดีนั้นเพราะเหตุดังนี้แลชาวโลกจึงเรียกว่าพราหมณ์ผู้มีความประพฤติดีพราหมณ์ผู้มีความประพฤติดีเป็นอย่างนี้แลพราหมณ์ผู้ประพฤติ ท, ทั้งดีและชั่วเป็นอย่างไร คือพรามในโลกนี้เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตรกูลเขาประพฤติโกมารพรมจรรย์เรียนมนต์อยู่ตลอด48ปีสแสวงหาทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์โดยชอบรมเท่านั้นไม่สแสวงหาโดยไม่ชอบรม ความชอบธรรมในการสแสวงหานั้นเป็นอย่างไรคือเขาไม่สแสวงหาด้วยกิจกรรมไม่สแสวงหาด้วยพาณิชยกรรมไม่สแสวงหาด้วยโคลรักกรรมไม่สแสวงหาด้วยการเป็นนักรบไม่สแสวงหาด้วยการรับราชการไม่สแสวงหาด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเขาถือกระเบื้องที่ยวพิขาอาจารย์อย่างเดียวมอบทรัพย์สําหรับปูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์แล้วสแสวงหาพัญญาโดยชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบทำบ้างแสวงหาด้วยการซื้อบ้างแสวงหาด้วยการขายบ้างแสวงหาพรามณีที่เขายกให้ด้วยการหลังน้ำบ้างสมสู่กับพรามณีบ้างสตรีชั้นกษัตริย์บ้างแพทย์บ้างสูตรบ้างจันทานบ้างในพรานบ้างช่างสารบ้างช่างรถบ้างคนขนขยะบ้างสตรีมีคันบ้างสตรีมีลูกอ่อนบ้างสตรีมีฤดูบ้าง สตรีหมดรดูบ้างพราหมณีนั้นเป็นพราหมณีของพราหมเพราะต้องการความใคร่บ้างเพราะต้องการความสนุกบ้างเพราะต้องการความยินดีบ้างเพราะต้องการบุตรบ้างพราหมไม่ดำรงอยู่ในความประพฤติดีของพราหมแต่ปางก่อนล่วงละเมิดความประพฤตินั้นเพราะเหตุดังนี้แหลชาวโลกจึงเรียกว่าพราหมผู้มีความประพฤติทั้งดีและชั่ว พรามผู้ประพฤติทั้งดีและชั่วเป็นอย่างนี้แหละพรามผู้เป็นจันทานเป็นอย่างไรคือพรามในโลกนี้เป็นผู้มีชาติกําเนิดดีทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาเถอปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตําหนิดได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลเขาประพฤติโกมาระพรมอาจาร์เรียนมนุ์อยู่48ปี แสวงหาทรัพย um ์สําหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์โดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างแสวงหาด้วยกิจกรรมบ้างแสวงหาด้วยพานิชยกรรมบ้างแสวงหาด้วยโคลรักกรรมบ้างแสวงหาด้วยการเป็นนักรบบ้างแสวงหาด้วยการรับราชการบ้างแสวงหาด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างถือกระเบ Fields ื้องเที่ยวพิกขาอาจารย์บ้างเขามอบทรัพย์สําหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์แล้ว แสวงหาพัญญาโดยชอบทมบ้างไม่ชอบทมบ้างแสวงหาด้ืยอการซื้อบ้างแสวงหาด้ืยอการขายบ้างแสวงหาพรามณีที่เขายกให้ด้ืยอการหลังน้ำบ้างสมสู่กับพรามณีบ้างสตรีชั้นกริย์บ้างแพทย์บ้างสูตรบ้างจันทานบ้างนายพรานบ้างช่างสารบ้างช่างรถบ้างคนขนขยะบ้างสตรีมีขันบ้างสตรีมีลูกอ่อนบ้าง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 ท่านผู้เจริญเปรียบเหมือนไฟไหม้ของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างแต่ไฟไม่ยึดติดกับสิ่งนั้นแม้ฉันใดถึงแม้พรามเลี้ยงชีพด้วยการงานทุกอย่างก็จริงแต่พรามก็ไม่ยึดติดกับการงานนั้นฉันนั้นเหมือนกันพรามจึงเลี้ยงชีพด้วยการงานทุกอย่างเพราะเหตุดังนี้แหลชาวโลกจึงเรียกว่าพรามผู้เป็นจันทานพรามผู้เป็นจันทานเป็นอย่างนี้แหล โนะบรรดาฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพรามณ์คือฤาษีอัตกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตะฤาษียมัทักคีฤาษีอังคีรสะฤาษีภารัวาชะฤาษีวาเสตะฤาษีกาสปะฤาษีพคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนพวกพราหมณ์ในปัจจุบันนี้ขับตาม กล่าวตามซึ่งบทมนที่เก่าแก่นี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องสาธยายได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องฤาษีเหล่านั้นบัญญัติพรามห้าจำพวกนี้ไว้คือหพรามผู้เสมอด้วยพรหม 2. อพรามผู้เสมอด้วยเทวดา 3. าพรามผู้ประพฤติดี 4. พรามผู้ประพฤติทั้งดีและชั่ว ห้าพรามผู้เป็นจันทานโทนะบรรดาพรามห้าจำพวกนั้นท่านเป็นพรามจำพวกไหนโทนะพรามกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้แม้แต่พรามผู้เป็นจันทานข้าพระองค์ยังให้บริบูรณ์ไม่ได้เลยข้าแต่ท่านพระโคดมพาสิของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดม จงทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสาระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเถิดโทนพรามนสูตรที่สองจบ